ในลำดับต่อไปเป็นเวลาปฏิบัติในจิตภาวนาคือสมาธิเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบให้พองแผ้วปราศจากนิโวณเครื่องสมองต่างๆทุกๆวันถึงแม้เราจะมาภาวนา ส่วนเมื่อเวลากลางวันเราไปทำงานจิตของเราก็รู้เห็นติ่ ง, งต่างๆด้วยตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกคมกลิ่นเป็นต้นแล้วก็มารู้ถึงใจในสิ่งที่เห็นที่ได้ฟังได้ท่าผัดทางกลิ่นเป็นต้นเหล่านั้นอะไรที่เป็นไปเพื่อความพัวพันของจิต ที่รุนแรงกว่าในข้ออื่นๆก็จะเป็นเครื่องสศ่้หมองของใจทำให้ใจตรึกอยู่ในสิ่งเหล่านั้นถ้าหากว่าชอบก็กลายเป็นโลภะหรือราคะถ้าไม่ชอบก็กลายเป็นโทสะถ้าหลงก็กลายเป็นโมหะในลักษณะอยู่อย่างนี้จึงเรียกว่าใจเศ้าหมอง ถึงแม้ในขณะที่เราจะมาทำสมาธิแต่ละวันใจของเราสงบดีแล้วสะอาดแล้วแ้ะเมื่อไปประสบการต่างเหล่านั้นก็อีกจิตใจก็มัวมองได้เพราะสมาธิเป็นโลกิยะเหมือนเสื้อผ้าที่เราซักสะอาดแฉนสะอาดประการใดก็ตามแล้วไปใส่ทำงานวันเดียวก็เปื้ออีก จิตนี้ก็คล้ายขึ้นกันแต่ถ้าหากว่าเรามีสติดีมีความสำรวมระวังดีคือประหยัดที่สุดว่าอะไรไม่ควรเห็นก็อย่าเห็นอะไรไม่ควรฟังก็อย่าฟังเหล่านี้เป็นต้นหรือเห็นสักว่าเห็นฟังสักว่าฟังทราบจักว่าทราบนั่นหมายความว่านอกอารมณ์ ที่ไม่ควรไปรู้ไปเห็นไปทราบเพราะไปรู้ไปเห็นไปทราบแล้วสิ่งนั้นไม่อยู่ที่จะไหลลึกลงไปในจิตทำให้จิตเกิดความกังวลและมัวหมองดังกล่าวมาวันนี้จะได้ยกพุทธภาติตที่เคยยกไว้บ่อยๆมาเป็นปทัฒฐานแห่งการจเจริญธราธิภธัภาวนาเพื่อ ย, ยา้าความรู้สึกและความเป็นไป ให้หนักแน่นมากยิ่งขึ้นคือสมาธิพิเขเวพาเวทะยา่าภูตังประชานาติที่พระผู้มีพระภาคจัดได้ว่าพิจุตทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจเจริญสมาธิเถิดพอเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วจะรู้ตามความเป็นจริง ึงเข้าใจความหมายเหล่านี้ดังนี้หนึ่งสมาธิหมายถึงอะไรมีลักษณะอย่างไรมีรสอย่างไรและความเป็นไปของสมาธินั้นมีอาการอย่างไรเป็นต้นดังนี้เท่าก่อน สมาธิคือที่จิตตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวกำหนดรู้อยู่ก็ชื่อว่าสมาธิสมาธิที่กำหนดนิ่งอยู่กับอารมณ์อันเดียวเป็นเอกคาตารจิตไม่มีสิ่งอื่นเข้าไปพัวพันด้วยความนิ่งอยู่ก็เรียกว่าสมาธิ โดยมีความโดยมีความไม่พุ้งซ่านเป็นลักษณะโดยมีโดยจิตที่พ้นจากความพุ้งซ่านแล้วนั้นเป็นลดและมีอาการคือสว่างสงบในจิตใจของตนเหล่านี้เรียกว่าสมาธิสมาธิมีอารมณ์มากมาย ในกรรมฐานทั้งสี่ิดประการแต่และอย่างละอย่างก็เป็นอารมณ์ของสมาธิของกสมถะกรรมฐานทั้งสินในอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เราจะนึกขึ้นแล้วก็มีตั้งจิตรู้อยู่สิ่งในที่นึกนั้นไว้เพียงอย่างเดียว โดยมีสติกำกับกำหนดรู้ไว้อย่าให้เผลอเหมือนเรานึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพุทโธนังนี้เป็นต้นหรือแม่ข้ออื่นใดๆก็คล้ายกันไว้เป็นอารมณ์จิตก็นึกถึงว่าพุทโธอยู่เป็นประจำทุกๆขณะคือหนึ่งวันหนึ่งเราอาจจะ นึกๆกเป็นหมื่นๆมืนเป็นพันแสนครั้งแต่นึกถึงครั้งคราวใดก็ให้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอกับคำที่นึกนั้นสิ่งที่เอานามว่าพุทโธมาเป็นเครื่องนึกเป็นต้นก็เพื่อดวงนิวจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวแต่ถ้าหากว่าเราภาวนาพุทโธจน ขึ้นคล่องใจและชำนานในการที่จะให้จิตสงบปีแล้วเราไม่ต้องนึกถึงพุโทโธก็ได้โดยนึกถึงจิตที่สงบแล้วก็จะเป็นอารมณ์เกิดความรู้สึกเป็นเอกคตาทันทีโดยไม่ต้องใช้คำว่าพุโทโธผู้ชำนานแล้วภาวนานแล้วสงบมีแล้วพุโทโธก็ไม่ต้องใช้ คือมีสติรู้อยู่ที่จิตจิตก็สงบจิตก็สงบนิ่งเหมือนภาชนะสิ่งของใดๆเช่นก้อนหินเป็นต้นวางลงในที่ใดมันก็อยู่นิ่งแต่ปุยนุ่นวางลงอยู่ในที่ใดมันก็วันไหวต่อกระแสลมต่างๆจิตที่ยังไพรสงบเหมือนปุยนุ่นจิตที่สงบแล้วเหมือนกัหินที่วางอยู่ ก็ตั้งอยู่นิ่งด้วยอาการอย่างนั้นการตั้งอยู่นิ่งอาการเหล่านั้นถ้าหากว่านิ่งได้เพียงทั่วคู่ไม่นานนักก็เรียกว่าคณิกสมาธิที่ว่าไม่นานนักนั้นคือหมายความว่าพอนิ่งไปแล้วจิตไล่ลับรถแห่งความสงบไปแล้วแต่อีกไม่นานนักก็จะมีอารมณ์อื่นมาแทรก อันนี้จึงต้องระวังถ้าเราป่าชนะจะแปลงให้คณิกะสมาธิไว้อยู่นานๆต้องมีสติคอยคุมไว้อย่าให้เผลอให้อยู่อย่างเดิมอีกหรืออิปการหนึ่งถ้าหากว่าจะปล่อยให้จิตที่สงบนั้นเขาคืนตามกระภาพของเขาเช่นว่ากลับคืนมาไม่สงบก็มีสติกำหนดรู้สติ กำหนดรู้ที่จิตคืนมาไม่สงบและจิตจะคิดอย่างไรก็รู้จะทำอย่างไรจะมีปฏิกิริยาอย่างไรก็กำหนดรู้คือตามรู้ไว้อยู่เสมอก็ได้อย่างไหนที่ถนัดและถูกกับจริตก็จะสงบง่ายอย่างไหนที่ไม่ถูกกับจริตคือไม่สะดวกก็จะสงบยากหนึ่ง ยากหน่อยหนึ่งจึงรวมฟาว่าการรักษาจิตให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวในคำภาวนาบทใดบทหนึ่งนั้นจนจิตสงบลงไปแล้วก็ไม่ต้องนึกถึงคำภาวนาดูความสงบในจิตอย่างเดียวในขณะนี้เราจะเห็นว่าความประนีตในความสงบของจิตเข้าอีกขั้นหนึ่งขั้นแรก มีพุโทโธเป็นอารมณ์คันเมื่อกิจสงบแล้วก็ไม่ต้องใช้พุโทโธเป็นขั้นที่สองคันเมื่อไม่ต้องใช้พุโทโธเป็นขั้นที่สองแล้วถ้าเป็นขณิกะรธรรมะที่อยู่เดียวๆเดีย ว, ยวถ้าเป็นอุปจาระธรรมาทิมีความสว่างหรือความรู้ชัดเจนยิ่งกว่านั้นไว้เป็นอารมณ์ธรรมาธิ จะมีเป็นขั้นตอนๆ ต, ต่อไปถ้าเป็นอัปปนาสมาธิจะดิงะด่งแน่วแน่อยู่เป็นอารมณ์เดียวและอาจจะไม่รู้สึกตัวก็ได้โดวยวันเวลาล่วงไปจะ ก, กี่ชั่วโมงอาจไม่รู้ก็ได้หรือจะเป็นอยู่ไม่นานก็ได้เป็นอยู่นานก็ได้แต่ว่ารู้อย่างลึกซึ้งทำให้เกิดความรู้สึก ในอารมณ์นั้นเหนือฝ่าอารมณ์ของคณิกะของอุปจาระคือดูแล ว, ว่าความที่รู้สึกในสงบนิ่งที่ถุกนั้นมีธรรมชาติที่ปลอดโปร่งผองใสและเบาจนหาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้ถ้าหากว่าสุขเกิดขึ้นก็จะมีความสุขอย่างสูงสุด ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านาทิสันติประรังสุขขังสุขอื่นที่จะมาเทียบเทียมกับกับทุกข์ที่เกิดจากความสงบไม่มีดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความสงบของจิตจึงปลดเปลื้องสิ่งที่เป็นอกุศลมัวหมองต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิวรในข้อใดหรืออย่างไรก็ตาม ให้หมดจดจากจิตออกไปจิตก็จะเกิดฟา้ามของแพ้วจิตเกิดฟา้ามของแพ้วนี้ก็เข้าในรูปเดิมที่พระผู้มีพระภาคจัดสอน้ว่าพระพัทธระมีดังพิฆเวจิตตังดูก่อนพิจตุ้งหลายจิตนี้เดิมทีเิธรรมชาติที่พองใสคือประพัศสศรคือหมายความว่าจิตยังไม่คุกครีกับโลภะโทสะโมหะเด็กเล็กๆ น, น้อยๆทารุธที่เกิดมา ยังไม่รู้จักรักและชังเพียงจะรู้สึกแบบธรรมชาติหิวก็ร้องง่วงก็ร้องเจ็บป่วยก็ร้องมีอาการให้เห็นเป็นอย่างเดียวคือยังไม่เป็นอาการอื่นๆที่มากมายควรผู้วผู้ที่โตแล้วเวลาเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งต่างก็อยากได้ถึงนั้นแสวงหาอยู่ยารักษา หรืออื่นๆหรือเมื่อไม่ได้เจ็บป่วยแต่เมื่อมีตาเห็นรูปอย่างนั้นก็อยากได้อย่างนั้นหูฟังเสียงอยากอันใดอยากได้ก็อยากได้อย่างนั้นจมูกได้กลิ่นหอมก็อยากได้ทิ่งนั้นสัมผัสในทางรถที่ชอบใจก็อยากได้ในทิ่งนั้นมีความอยากได้เกิดขึ้นจากตาจากหูจากจมูกจากกลิ่นจากรถเป็นลาดับไปจึงทําให้จิตหมดประพัดสอน คือเป็นไปตามอารมณ์นั้นมาเข้ามากเข้ามาเข้ า, า, เ, ขาเหมือนกับว่าผ้าขาวผืนหนึ่งที่ขาวสะอาดต่อมาก็มีสีดำบ้างสีเหลืองบ้างสีเขียวบ้างมาแตะมาแต้มเสียงหมองมัวหมองต่างๆมีฝุ่นละอองบ้างมาเกาะก็ทําให้ผ้าผืนนั้นมัวหมองเข้าแท้จริงผ้านี้ประพัดสอนคือเดิมทีขาวสะอาดแต่เพราะสิ่งแวดล้อมต่างๆ มาทำให้ผ้านเศ้าหมองฉันใดจิตนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่จะทำให้เข้าหมองก็เพราะมาจากตาหูจมูกลิ้นทางกายแล้วก็รู้ไปถึงทางใจท่านยิงสอนให้มีสติสังวรให้มีสติตั้รวมให้มีสวมมความสังวรระรวมระวังไว้บางแห่งก็เปรียบเทียบว่าถ้าท่านไม่ระวังไม่สํารวมตาหูจมูกลิ้นของท่านแล้ว มารจะตามรางฟานท่านอยู่ไม่รู้จักจบจะทำอย่างไรก็ไม่รู้จักจบจะต้องกันไวตั้งแต่ที่แรกจึงจะระวังได้เพราะฉะนั้นในมหาสติปฐานสูตรในข้อธรรมมานุปัสสนาสติปฐานที่ได้สอนให้ฟอมได้ว่าเมื่อตาเห็นรูปละเสียที่ตา อย่าให้มันไหลเข้าไปที่ใจเมื่อหูฟังเสียงละเสียที่หูอย่าให้มันไหลเข้าไปใจจมูกได้กลิน่นละเสียที่จมูกอย่าให้มันไหลเข้าไปใจอย่างนี้เป็นตน้นก็คือหมายความว่ามีสติสำรวมระวังระวังไว้นั่นเองว่าในสิ่งนั้นถ้ามันตกไปถึงใจแล้วมันจะมีอำนาจและมีพลังทำให้เกิด อารมณ์ต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งบางทีจิตหนือใจนั้นมีเชื้อโรพาโทสโมห oh ะหรือราคะโทสโมห oh ะเป็นพื้นอยู่บ้างแล้วอย่างละเอียดท่านสิ่งเหล่านี้เข้าไปผสมก็จะเกิดความรุนแรงมากขึ้นท่านจึงว่าเห็นรูปแล้วอย่าให้ให้มันดับเสียที่ ท, ท, ที่ตาได้กลิ่นแล้วให้ดับที่เสียที่จมูก ดังได้กล่าวมาแล้วเพื่อระวังจิตใจของตนเองให้เป็นปกติการที่เรามาฝึกสมาธิมาเจริญวิปัสนาก็เพื่อย้อนให้จิตกลับเป็นประพัฒสรตามเดิมแต่การที่จิตเป็นประพัฒสรในครั้งนี้ประกอบไปด้วยสติสมาธิปัญญามีความเฉลียวฉลาดและอื่นๆอีกมากมายไม่เหมือนกับภาวะของจิตเมื่อน้อยๆ อ, อ, อ, อยู่ จะรู้อะไรก็ร้องรอะไรก็ร้องให้ปากฏเท่านั้นเองเพียงอย่างเดียวแต่เมื่อมีอายุหรือมีความ เ, เจริญเติบโตแล้วก็จะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแต่สิ่งเหล่านั้นถึงอย่างไรก็สามารถระงับดับเสีได้ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงและเมื่อจิตที่ เคยอยู่กับอารมณ์ต่างๆมารู้ตามความจริงแล้วก็จะเกิดความฉลาดขึ้นรู้ตามความจริงขึ้นพระอริยะที่ท่านตัดราคะโทสะโมหะได้ขาดแล้วไม่ใช่ว่าท่านจะไม่พบเห็นในสิ่งที่ยั่วยวนทําให้เกิดกิเลสอย่างนั้นอีกต้องพบต้องเห็นแต่ว่าเมื่อท่านพบเห็นในสิ่งใดสติมาก่อนแล้ว รู้เท่าทันตามความจริงว่ากิเลสตัวนี้เราละไปหมดแล้วกิเลสตัวนี้ไม่มีเชื้ออยู่ในจิตของเราอีกแล้วกิเลสตัวนี้ขาดสิ้นไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเครื่องผูกพันในจิตของตนเหมือนกับว่า <c oughs> ที่เราเห็นสิ่งต่างๆที่เราเห็นสิ่งต่างๆที่ตกอยู่ก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี เห็นกระดาษตกอยู่เห็นผ้าตกอยู่เห็นผ ล, ลไม้ตกอยู่อย่างนี้เป็นต้นความรู้สึกจะต่างๆกันถ้าไปเห็นกองอุจจาระความรู้สึกจะเป็นอย่างไรพราเห็นกองอุจจาระก็จะไม่เข้าไปยึดถือไม่อยากให้มันเข้ามาที่จมูกไม่อยากให้มันติดอยู่ที่ตาไม่อยากให้มันลงบนที่จิใจเพราะ มันเป็นปฏิกูนฉันใดก็ดีความสัมผัสในจริงเหล่านี้มีสติและระวางไว้และในที่สุดให้รู้ตามความจริงว่าเป็นอนิจจังผูกขังอนัตตาพื้นฐานของจิตพื้นฐานของปัญญาดังกล่าวมาแล้วได้นี้จะเกิดขึ้นได้เพราะจิตมีสมาธิเพราะจิตมีสมาธิก็เพราะปราบรามิวอน ทั้งห้าวิตกทั้งสามและอารมณ์อื่นๆอันเป็นที่จะให้เป็นเหตุให้เกิดอคุศนทั้งส่วนละเอียดทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดต่างๆนา น, นานประการให้หมดไปจากกิตทันดานเมื่อจิตผ่องแผ้วและเมื่อใช้ปัญญาเมื่อจิตผ่องแผ้วแล้วเราเหมือนกับมีกระจกวิเศษเมื่อเราใช้กระจกนั้นส่ง ไปข้างหน้าโดยใช้สายตาก็เห็นสิ่งเหล่านั้นชัดเจนยิ่งกว่าในสายตาธรรมดาฉันใดปัญญาก็เหมือนกันที่เราจิตยังไม่สงบถึงเราจะพิจารณาว่ารูปังอนิจจงเวทนาอนิจจาเป็นต้นว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยง สังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเราเพียงรู้แบบจำไม่ใช่รู้แจ้งรู้แจ้งกับรู้จำต่างกันคือรู้จำกาหนดรู้ไว้ในครั้งข้าวใดลืมความจำก็หายไป <c oughs> แต่ความรู้แจ้งนั้นรู้แล้วสว่างอยู่ตลอดคือไม่หลงไหลลืมอีกในสิ่งเหล่านั้น เพราะความรู้แจ้งเป็นคนว่ายของโลกุตละธรรมความรู้จาเป็นฝ่ายของโลกิยธรรมย่อมเป็นไปในอาการต่างๆกันจึงเป็นเหตุให้เกิดความพ้นจากอาทวกิเลสได้ได้หรือไม่ได้ที่หากว่าเรารู้ว่ารูปเวทนาสัญญาทั้งขันวิญญาณที่มีอยู่นี้ถ้าไปยึดถือก็ยังมีพบมีชาติ ถ้าเห็นแจ้งตามความจริงแล้วปล่อยวางจนไม่มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในภพในชาติไม่มีอยู่ในภพในชาตินั้นอีกต่อไปคือหมายความว่าจิตเข้าสู่โรกุตระธรรมเพราะเห็นแจ้งตามควา ม, มจริงดังได้กล่าวมาเพราะฉะนั้นในหัวข้อที่กล่าวเนเบื้องต้นว่า สมาธิงพิขเวภาเวทะพิจตุทั้งหลายจงทำสมาธิเถิดอย่าท้าภูตังประชานาติเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วจะรู้ตามความเป็นจริงในตอนต้นเป็นสมาธิในตอนปลายเป็นวิปัสนารู้ความจริงอย่างไรรู้ว่ารูปคือธาตุทั้งสี่มาประชุมกันรู้ว่าเวทนา คือเป็นอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์รู้ว่าสัญญาความจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจารสจำสัมผัสจาอารมณ์ไม่ได้รู้สังขารคือความนึกคิดเป็นกุศลความนึกคิดที่เป็นอกุศลความนึกคิดที่เป็นกลางกลางรู้วิญญาณคือเมื่อตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นจากผูกวิญญาณ หูฟังเสียงเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าโสะตะวิญาญาณจมูกได้กลิน่นเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าคารณวิญ ญ, ญาณนิ้นได้รับรสเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณกายทั้งผัดเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าพดกายวิญญาณเมื่ออารมณ์มากระทบใจเรียกว่ามโนวิญญาณวิญญาณเกิดขึ้นจากที่ตาวิญญาณเกิดจากเสียงวิญญาณเกิดจากที่สัมผัสกลิน่น วิญญาณเกิดจาก <c oughs> ที่ได้รับรถวิญญาณเกิดที่ได้สัมผัสและวิญญาณที่เกิดไว้เป็นอารมณ์คือมโนวิญญาณทั้งหประการนี้ในหประการนี้จึงรวมเป็นห้าอย่างคือรวมทั้งรูปเวทนาสัญญาทังขานวิญญาณและทั้งห้าประการนี้ก็เป็นตามของลักษณะที่เหมือนกันคือ ไตรลักษณ์ได้แก่ความไม่เที่ยงเป็นทุกขังเป็นอนัตตารูปก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวชนาก็เ <AB> ป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสัญญาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสังขารก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวิญญาณทหกก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ว่ารูปคือธาตุสีแต่ละชาติก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เวทนาสามคืออารมณ์ชอบไม่ชอบสุขเวทนาทุกขเวทนาอนทุกขมาสุขเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกขงังอนิจจ์ความจําได้หมายรู้ในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นก็เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาความนึกคิดเรื่องราวต่างๆปรุงแต่งต่างๆท่านที่เป็นกุศลอกุศลก็เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาวิญญาณทั้งหกก็เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ว ความรู้อย่างนี้คือผลที่เกิดมาจากสมาธิเมื่อใช้ปัญญาเกิดขึ้นก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งห้าฮประการนี้ล้วนแล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าจะย่นย่อสิ่งทั้งห้าให้เหลือส่้นๆเพื่อจำง่ายๆพิจารณาง่ายๆก็ได้คือย่อรูปเป็นรูปธรรม เวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณเป็นวิญญาณธรรมเป็นวิญญาณเป็นนามธรรม <c oughs> อีกสีอย่างเป็นนามธรรมข้อรูปอันเดียวเป็นเป็นรูปธรรมพี่ว่าเป็นรูปธรรมเพราะสามารถเห็นได้ด้วยตาในภายนอกนี้ส่วนเวทนาสัญญาทั้งขารวิญญาณไม่สามารถที่เห็นได้ว่าเป็นรูปร่างอย่างไร แต่มีความรู้สึกได้สุขรู้สึกได้ทุกข์รู้สึกได้เหล่านี้เป็นต้นจําเสียงจำเสิ่งต่างๆได้แต่ว่าตัวสัญญาเป็นอย่างไรไม่เหมือนกับรูปเพราะฉะนั้นห้าประการนี้เหลือสองอย่างคือรูปและนามสี่อย่างเป็นนามอีกอย่างนึ่เป็นรูปเรียกกัน ว, ว่ารูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมทั้งสองประการนี้เมื่อย่อมาแล้วก็ไม่พ้นใจลัก คือไม่พ้นอนิจจังทุกขังอนัตตาและรูปธรรมนี้ก็อยู่ในคือสัตว์ทั้งหลายได้แก่ตัวเราด้วยตัวเราก็มีรูปเวทนามีสัญญาทังขานวิญญาณและตัวเราก็ย่อลงเหลือรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมของเราก็เป็นไตยลักษณ์ธรรมะที่จะพึงปฏิบัตินอกจากทำสมาธิแล้วทำสมาธิผลเกิดขึ้นแล้วให้ดูรูปธรรมของเรา นามธรรมของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปว่าไม่เที่ยงตั้งมั่นอยู่ไม่ได้แปลนัตตาดูไปแต่ละอย่างๆคือพิจารณารู้แล้วนี่คือรูปของเราแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็สอบถามดูว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรแล้วก็ลองนึกว่าเมื่อเราเป็นเด็กเล็กๆ เ, เวลานี้เราเป็นเด็กเล็กหรือเปล่า ลา ว, วานี่เราบ้นเอกเป็นเด็กเล็กแบบนั้นนี่ก็คือฟาร์มไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงมาอยู่เสมอในวันคืนร่วงไปร่วงไปวันคืนไม่ร่วงไปโดยพระอาทิตย์พระจันทร์ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปด้วยทุกๆ ท, ท, ทุกวันจกนกระทึงถึงฟาร์มแก่ฟามเก็บฟาร์มตายเป็นที่ถดไม่มีอะไรที่จะรอดพ้นจากภาวะเหล่านี้ไปได้สิ่งทั้งปวงทั้งที่เป็นอุ ป, ปาทินกะทั้งขานคือที่มีใจครอง มนุษย์และสัตว์ทั้งที่เป็นอนุปาทินกะทั้งขานคือที่ไม่มีเจคอมีต้นไม้ป่าบ้านเรือนเครื่องใช้เป็นต้นล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสื่อมสลายไปสิ้นไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องยั่งยืนอยู่ได้เลยท่านสอนให้ดูให้รู้ให้เห็นตามฟานเป็นจริงในฐานะที่ในส่วนนี้เป็นวิปัสสนาในตอนแรกที่ว่า ตรงทําสมาธิเถิดก็เพราะเพื่อเพื่อให้จิตตั้งมัน่นเพราะสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตตั้งมัน่นเวลาจิตเกิดสมาธิขึ้นแล้วด้วยอารมณ์ใดจิตจะต้องตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่ในอารมณ์นั้นและเมื่อจิตตั้งมั่นสูงประหนี่ขึ้นก็จะมีสุ ข, ขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาหรือเอกคตาไว้เป็นอารมณ์จิตถ้าหาว่าเข้าสู่ในวาระเช่นนั้นแล้วแม้เป็นสมาธิก็ ตั้งนิ่งอยู่กับอารมณ์นั้นตามชั่วกำลังของสมาธิและเมื่อถ้ามาออกจากสมาธิแล้วหินนั้นก็ยังอยู่ในสภาวะเดิมในสภาวะเดิมเพียงแต่ว่าถ้าหาว่าบุคคลมีสติคอยระวังไว้ควบคุมไว้ก็จะอยู่ได้นานความรู้สึกเช่นรู้สึกจากสุขความสุขเกิดขึ้นจากสมาธิเมื่อออกจากสมาธิแล้ว ความถูกก็ยังตอนใหม่ๆความถูกก็ยังมีอยู่ความนิ่งของสมาธิเมื่อจิตออกจากสมาธิแล้วความนิ่งนั้นก็ยังมีอยู่โดยธรรมชาติเพราะความนิ่งที่อยู่มีอยู่ธรรมชาตินี่เองตอนนั้นเป็นนาทีทองของผู้มีปัญญาคือใช้ปัญญาพิจรารณาสอ r ขึ้นทันทีในขณะจิตนิ่งแบบที่ไม่ต้องมีสมาธินั้น ใช้ปัญญาพิจารณาหเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกขเว น, นาตาจะเห็นใจรักง่ายกว่าในเวลาอื่นเหมือนกับเวลาที่เราในวันใดเรานอนหลับสบายๆแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วจิตพองใสในขณะจิตผองใสนั้นเรายังไปนึกถึงงานนึกถึงเรื่องราวในขณะนั้นถ้าเราคิดถึงธรรมะนึกถึงตัวเราว่ากายของเรานี้รูปธรรมของเรานี้ไม่เที่ยง ไม่ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่ใช่ตัวตนพิจารณาจะเห็นง่ายจะรู้สึกง่ายจะเข้าใจง่ายในเวลาที่จิตเข้าสมาธิยิ่งลึกเท่าไหร่เราจะพิจารณาอย่างนั้นไม่ได้เพราะต้องปล่อยให้จิตสเสวยวิมุตติสุขจากสมาธิให้เต็มที่เพราะเมื่อจิตสเสวยวิมุตติสุขอันเกิดจะตมาธิเต็มนพี่นั้นจิตย่อมพองใสจิตของเราตั้งแต่เกิดมา ที่จะหาความผ่องใสเหมือนอย่างในขณะที่สมาธิเกิดขึ้นไม่มีเมื่อจมมีเมื่อจิตมีโอกาสเกิดสมาธิก็ปล่อยให้จิตถเถเวยไม่จะตั๋วแห่งความผ่องใสนั้นนานๆจิตจะได้จำอารมณ์ที่ผ่องใสไว้เป็นพัฒ ฐ, ฐานและเมื่อใช้ปัญญาก็จะรู้ตามความเป็นจริงดังนั้นพุทธภาตที่กล่าวว่าพิจตุจหลายจงจจเจริญสมาธิเถิด เมื่อธรรมาทีเกิดขึ้นแล้วจะรู้ตามความเป็นจริงดังนี้เพราะฉะนั้นธรรมาทีธรรมาทีกรรมฐานคือการอบรมจิตให้สงบจึงเป็นพื้นฐานของบุญกิริยาอันควรแก่การที่จะเจริญให้เกิดมีขึ้นเป็นบุญเหนือฝ่าทานและศีลต่อไปจึงขอเชิญทุกท่านตั้งจิตตั้งใจน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ แล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพุโทโธเพียงอย่างเดียวโดยมีสติอยู่รอบคอบไม่พลังไม่เผลอด้วยการภาวนาพุโทโธเป็นอารมณ์มีพุโทโธเป็นอารมณ์เหมือนมีพุโทโธเป็นเป้าหมายของจิตผู้ยิงผู้นักกีฬาที่จะเล่นยิงธนูเขาย่อมมีป้ายวงกลมเป็นที่เล่งเมื่อปล่อยลูกธนูไปให้อยู่ในวงกลมนั้น ฉันใดผู้ที่บำเพ็ญเจริญจิตภาวนามีพุโทโธเป็นเป้าหมายของจิตไม่มีสิ่งอื่นเป็นเป้าหมายของจิตมีพุโทโธเป็นเจ้าหมายของจิตด้วยการเล็งคือสติไว้เป็นอารมณ์เท่านั้นทาต่อไปต่อไปถามเสมอ ด, ด, ด, ด้วยความินดีด้ืยความศรัทธาโดยเห็นว่าเป็นความ ด, ดีเป็นบุญกุศลที่เราได้เป็น ผู้บริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านสอนว่าอย่างนี้ให้รู้อย่างนี้ให้ปฏิบัติอย่างนี้และความถูกอันสูงขึ้นก็จะพบแก่ประการเราและไม่ต้องไปวิบากในเรื่องทุกข์ยากตัวต่างๆที่เกิดจากจากการกระทำบาปแต่ประการใดให้จิตหรือวิญญาณหรือความรู้สึกแม้ชาตินี้ชาติหน้าก็ตามให้อยู่แต่สุขอันเกิดจากความสงบดังได้กาวมาแล้ว สมาธิอันใดที่เกิดขึ้นแล้วเป็นบุญเป็นกุศลของผู้นั้นไม่หนีไปไหนถึงแม้จิตของเราออกจากสมาธิแต่คุณของสมาธิบุญของสมาธิความวิเศษของสมาธิยังอยู่ตามเราไปทุกภกชาติจนกว่าบราารลุพระอรหันต์ดังนั้นต่อ น, นี้ไปจงพากันตั้งใจเจริญจิตภาวนาเพื่ออบรมจิตของเราให้เกิดความของแผ่ตามคาสอนของพระศาสดาต่อไป